จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสองมีนาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา พระธรรมคำสอนของพ่อระพุทธเจ้าด้วยการฝังเทศฝังธรรมเพื่อเพราะว่าการฝังเทศฝังธรรมจะทําให้เราได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมา ก, ก่อนสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ยินได้ฟังไม่อีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น ะจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาและทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังธรรมนี้ แตะทำให้เรารู้อะไรที่เราไม่รู้เช่นเราไม่รู้ว่าการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่มหาศัก์สทธ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าการได้พบได้มีอะไรมาเป็นสมบัติของเราได้อะไรก็สู้ได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้ไม่มีอะไรที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้พวกเรานี้ไม่ต้องทุกไม่ต้องรุ่นวายใจ ไปกับเรื่องราวต่างๆจะทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็กมาตายอยู่ไม่เลื่อๆเราจะไปพระนิพพานที่มีแต่ความสุขตลอดเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้กับเราได้แต่ให้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดี เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถให้ความสุขที่ถาวรให้กับเราได้ความสุขที่เราได้จากการเป็นอะไรต่างๆนี้ก็เชื่อแค่อายุไขพอร่างกายตายไปความสุขที่เราได้รับจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็จะอันตรธานหายเป็นโ แล้วเราก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ถ้าเราไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าติดตัวไปเราก็จะไปแบบขอทานไปแบบคนหูหนวกตาบอดไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะยินดีก็คือควรจะยินดีกับธรรมะของพระพุทธเจ้า เพราะธรรมะนี้จะทําให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีภพชาติที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็จะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปทุกกับการแก่การเจ็บการตาย ทุกกับการาพลาดลาจากคนที่เรารับจากสิ่งที่เรารับเพราะโลกที่เรามาเกิดนี้เป็นโลกของอนิจจังทุกขังมานาตาอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลง การขึ้นลมการเกิดดับนี่แลที่ทำให้ใจของพวกเราต้องทุกทรมานกันเพราะว่าพวกเราชอบเกิดแต่ไม่ชอบตายชอบได้แต่ไม่ชอบเสียชอบเจริญแต่ไม่ชอบเสือ่อมแต่เรามาอยู่ในโลกที่มีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับมีเกิดมีตายเพราะว่ามันเป็นของคู่กันโลกนี้มีของคู่กัน คือเกิดแล้วก็ต้องตายมาแล้วก็ต้องไปเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไม่ว่าใครก็ต่างจะมาเกิดในโลกนี้จะต้องพบกับการเกิดการตายการเจริญการเสื่อมทุกๆคนแต่การที่เรามาเจอสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะทําใจของพวกเรา ไม่ให้ทุกข์กับมันได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเราได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียไปถ้าเรารู้ื่วงหน้าเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเวลาที่เราต้องเสียเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมของของคนอื่นมาใช้ไปยืมรถเขามาใช้เรารู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเขาไป ถาเรารู้ถ้าเาเตมตัวเตรียมใจคืนของเขาไปเวลาถึงเวลาที่เราต้องคืนนกเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราพร้อมที่จะคืนนดให้เขาไปร่างกายของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนรถที่เรายืมมาจากพ่อจากแม่ยืมมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องคืนร่างกายนี้ให้กับดินน้ำลมไฟไปพอร่างกาย หยุดหายใจเขาก็เอาไปเผาเขาก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกะดูบไปน้ําก็หายไปน้ํำในร่างกายก็หายไปหมดกลับไปสู่น้ําดินก็กลับไปสู่ดินลมก็กลับไปสู่ลมไฟก็กลับไปสู่ไฟนี่คือธรรมชาติของร่างกายของพวกเราทุกคนพวกเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจเรื่อยๆว่า เราขอยืมร่างกายนี้มาใช้เหมือนกับเรายืมรถยนต์มาใช้เดี๋ยวเราใช้เสร็จถึงเวลาเขาจะมาขอคืนเราก็ต้องคืนเขาไปถ้าเราไม่ยอมคืนนี่เราจะทุกข์มากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเราได้มาแล้วแล้วเราไม่ยอมคืนเขาไปเวลาเขามาทวงนี่จะทุกข์ทรมานใจจะเสียใจมาก แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวต้องคืนเขาไปพอเขามาทวงเราก็คืนเขาไปเลยไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราของทุกอย่างในโลกนี้ที่เราได้มามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันเป็นของยืมมาเป็นของที่เราจะต้องคืนเขาไปทุกคนเนี่ยร่างกายเนี่ยเราต้องคืนเขาไป เวลาที่ร่างกายตายไปเขาก็เอาไปส่งให้กับดินน้ำลมไฟไปไปจำแนกไปแยกมันออกร่างกายนี้มารวมเป็นร่างกายได้ก็เพราะมีน้ำมีดินมีลมมีไฟเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มันโตขึ้นได้ก็เพราะมีดินมีน้ำมีลมมีอากาศมีความร้อนร่างกายเราก็เป็นเหมือนต้นไม้ ตนไม้ก็เวลามันตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินไปฉันใดร่างกายก็เป็นอย่างนี้เป็นของที่เรายืมเขามานอกจากร่างกายแล้วก็รวมถึงสิ่งต่างๆที่เราได้มาผ่านทางร่างกายเราได้สามีได้ภรรยาก็ต้องคืนเขาไปได้ลูกก็ต้องคืนเขาไปได้สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ก็ต้องคืนเขาไปหมดว่าของต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เรายืมมาเราอย่าไปหวงอย่าไปเสียดายเพาะจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจไปเปล่าๆเพราะว่าจะหวงยังไงก็เก็บไว้ไม่ได้ถึงเวลาเขาจะมาเอาคืนไปนี้เขามีอำนาจมากกว่าเราเขาใหญ่กว่าเราโตกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้ เราไม่มีทางที่จะเหนี่ยวร่างของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ให้จากเราไปได้แต่เราสามารถจากสิ่งต่างๆไปได้อย่างสบายอกสบายใจเพราะว่าเรามาทำความเข้าใจให้ถูกต้องตอนนี้เรามีความเห็นที่ผิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องเราไปเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่รวมทั้งร่างกายของเหน้านี้ เป็นของเราแ่าจะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้เป็นความเห็นผิดเป็นความเข้าใจผิดเราต้องมาทำความเข้าใจใหม่ให้เข้าใจว่าของต่างๆที่เราไ่อยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของที่ยืมเขามาไม่ช้าก็เร็วเจ้าของเขาก็จะมาทวงจากเราไปถ้าเรายินดีคืนให้กับเขาไป เราก็จะไม่เดือดร้อนอย่างวันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาเอามาซ้อมคืนของที่เราจะต้องคืนเช่นเงินทองที่เราในอยู่วันนี้เราเอาเงินทองมาซื้อกับข้าวกับปลาอาหารซื้อของต่างๆแล้วก็เอามาถวายให้กับพระมาถวายให้กับวัดอันนี้เรียกว่าเป็นการซ้อมคืนของอเราได้อะไรมา เองมาซ้อมคืนเจ้าของเข้าไปด้วยการทำทานถ้าเรายินดีให้แทนที่เราจะเสียใจล้วกลับมีความสุขใจเวลายาดโยมทำบุญนี่รู้สึกอย่างไรเสียดายไ้ยเสียใจไ้ยไม่เสียดายไม่เสียใจเพราะอะไรเพราะอยากจะให้ยินดีที่จะให้พร้อมที่จะเสียพร้อมที่จะคืนสมบัติส่วนนี้ ให้กับเจ้าของเขาไปนี่คือการทำทานนี้เป็นการฝึกใจสอนใจให้คืนของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ให้กับเจ้าของเขาไปถ้าเราคืนได้มากเท่าไรเรายิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากเขาไป หรือเขาก็จะต้องจากเราไปเงินทองนี้มีความจำเป็นแค่ว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเท่านั้นถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหง่มมียารักษาโรคแล้วเราก็อย่าไปหาเงินทองมาเพิ่มเลยเพราะหามาแล้วหามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเขาไปอยู่ดี สู้เอาเวลามาสร้างธรรมะดีกว่ามาสร้างพระนิพพานกันดีกว่ามาสร้างความสุขที่แท้จริงกันดีกว่าวิธีที่จะสร้างความสุขเราก็ต้องไปอยู่วัดกันเพราะวัดเป็นที่ที่เราจะมีคนสอนวัดจะเป็นเหมือนโรงเรียนการเรียนหนังสือนี่เราเรียนอยู่ที่บ้านรับรองได้ว่าเรียนไม่จบถ้าเราอยากจะเรียนจบนี่เราต้องไปโรงเรียน เพราะที่โรงเรียนมีหนังสือมีครูมีอาจารย์คอยสอนคอยเตือนคอยดึงเราจันใดถ้าเรามีเวลาไม่ต้องไปทามาหาเงินหาทองเพราะว่าเราพร้อมพอมีพอกินแล้วเราไม่โลภอยากได้เงินทองเพราะเรารู้ว่าเงินทองนี้ไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเขาไปสู้เรามาหาธรรมะดีกว่า ธรรมะนี่เป็นของที่จะเป็นสมบัติของเราจะทำให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายทำให้เราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราต้องมีเวลาถ้าเรามัวแต่หาเงินหาทองมามากๆเราจะไม่มีเวลามาวัดมาศึกษา มาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่มีวันได้ทำเมื่อเราไม่ได้ทำเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการพัดพรากจากสิ่งต่างๆได้เวลาเราตายเราก็จงตายอย่างเสียอกเสียใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราก็จะเสียอกเสียใจ เพราะเราไม่มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจที่จะสอนให้เราปล่อยสอนให้เราไม่หลงไปคิดว่าเป็นของเราธรรมะนี่จะคอยเตือนใจเราสอนใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเราของทุกอย่างที่เราได้มานี่เป็นของยืมเขามาเดี๋ยวเจ้าของเขาจะต้องมาเอาคืนไป น, นี่คือ เรื่องของพระพุทธศาสนาการที่ได้มาเกิดเจอพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นสิ่งที่วิเศษต่อการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้แต่กลับจะทำให้มีความทุกข์ในใจเพิ่มขึ้นพอถูกลอตเตอรี่แล้วก็ต้องกังวลแล้วว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหน จะหลบหน้าหลบตาคนนั้นคนนี้ได้อย่างไรเพราะเดี๋ยวเขารู้ว่าเรารวยเดี๋ยวเขาก็าจะต้องมาขอส่วนแบ่งต้องมาขอญาตพี่น้องที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเป็นสิบสิบปีก็จะโผล่กันมามาเพื่อจะมาของเงินขอทองจากเราเราก็ไม่อยากจะให้เราก็จะไม่อยากจะเจอเขาเราก็ต้องคอยอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆ น, นี่คือความสุขจากการ ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นความชุกมากกว่าเป็นความสุขแต่ถ้าเราได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจเราใจเราจะเย็นใจเราจะสบายใจเราจะไม่หิวไม่อยาไม่เสียดายไม่ยึดไม่ติดกับอะไรถึงเวลาที่เจ้าของเขาจะมาทวงของจากเราไปเราก็จะยินดียกให้เขาไปเลยต้องการเงินทองเอาไปเลย ต้องการสามีภรรยาเอาไปเลยต้องการบุตรธีดาเอาไปเลยต้องการพ่อต้องการแม่เอาไปเลยต้องการร่างกายของเราเอาไปเลยเพราะมันไม่ได้เป็นของเราแต่เราไม่มีธรรมะมาคอยเตือนใจสอนใจให้ปล่อยไม่ให้ยึดเราทุกวันนี้ยึดติดกับทุกอย่างได้อะไรมานี้จะคิดว่าเป็นของเราทันทีแล้วก็จะไม่ยอม ให้ใครเอาไปโดยเด็ดขาดเวลาขโมยขโมยของไปแต่ละครั้งนี่รู้สึกยังไงดีใจหรือเสียใจเราควรจะดีใจถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเราจะรู้ว่าเจ้าของเข้ามาทวงคืนไปแล้วเวลาเราเสียอะไรไปนี้แสดงว่าเจ้าของเข้ามาทวงของที่เรายืมเขามาคืนไปถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะไม่เสียใจแต่เราไปหลงคิดว่าเป็นของเรา มันเป็นของเราพอเข้ามาเอาไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจเพราะเราไม่มีธรรมะเรามีแต่ความหลงคอยหลอกให้เราไปคิดว่าของต่างๆนี้เป็นของเราเราจึงต้องหาเวลามาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมาคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาฝึกใจให้ปล่อยถึงแม้เราจะรู้ว่าไม่เป็นของเรา แต่เราก็ยังปล่อยไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกใจการฝึกใจก็คือฝึกปล่อยเรามีสมบัติอะไรเราก็ปล่อยอย่าไปอยู่ใกล้มันเช่นเวลาเรามาอยู่วัดนี้เราก็ไม่เอาสมบัติมาเราไม่ได้เอาบ้านมาเราไม่ได้เอาโทรทัศน์มาเราไม่ได้เอาตู้เย็นเราไม่ได้เอาอะไรมาอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการฝึกปล่อยของต่างๆที่เรามีอยู่ ม่อยู่แบบไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าเราอยู่โดยที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้ต่อไปเวลาเขามาเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากเราไปเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะว่าเราต้องอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่เราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ถ้าเรามีธรรมะคําสอนของพ่อพระเจ้าทําใจเราให้มีความสุขถ้าใจเรามีความสุขเราจะไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาคอยให้ความสุขกับเราตอนนี้เราต้องมาสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นมาให้ได้ถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วเราจะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องมีก็ได้ร่างกายนี้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องคืนเขาไปถ้าเรามีความสุขอยู่ภายในใจเราจะไม่เดือดร้อนเราพร้อมที่จะยกคืนเขาไปได้เลยนี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาของพระธรรมคำสอนของพระตถาจ้าที่จะมาคอยสอนคอยเตือนใจให้พวกเราปล่อยวางกัน ให้พวกเราอย่าไปยึดอย่าไปติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปยึดไปติดกับคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราสามารถอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีธรรมะของพระตั้งเจ้าอยู่ในใจของเราเราจะมีธรรมะได้เราก็ต้องมาสร้างมันเราต้องมาอยู่ที่วัดมาศึกษามาหาพระหาครูบาอาจารย์ ท่านจะสอนวิธีสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาภายในใจที่จะทำให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขแล้วเราจะไม่ต้องพึ่งอะไรตอนนี้เรายังไม่มีความสงบยังไม่มีความสุขเราเลยต้องพึ่งทรัพสมบัติเข้าของเงินทองพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้แล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง คนนั้นคนนี้ต้องจากเราไปแล้วเราก็ไม่เข็ดพอเสียไปแล้วก็กลับไปหาใหม่หาคนใหม่คนนี้จากเราไปก็หาคนใหม่มาแทนทรัพสมบัติกองนี้หมดไปก็ไปหากองใหม่มาแทนหามากี่กองหามากี่คนเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปอยู่ดีแต่เราไม่สามารถที่จะอยู่โดยไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราไม่มีธรรมะกัน แต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเราจะไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเราต้องมาวัดกันวิธีที่จะมาวัดได้ก็คือต้องไม่ทามาหากินหยุดทามาหากินเพื่อความร่ำรวยทามาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกบพอถ้าเราทามาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราจะมีเวลามาอยู่วัดกันมาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาสร้างธรรมะให้กับใจของพวกเรา แล้พอเรามีธรรมะแล้วเราก็จะปล่อยทุกอย่างได้ไม่ต้องมีอะไรเราจะอยู่ได้แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องมีเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกตอนนี้ท่านไม่มีร่างกายท่านก็ยังอยู่ท่านก็ยังอยู่เหมือนสมัยตอนที่ท่านมีร่างกายแต่ตอนนี้ใจของท่านพอแล้วอิ่มแล้วมีความสุขแล้วถึงพระนิพพานแล้วเลยไม่ต้องมีร่างกาย พวกเราใจยังไม่อิ่มยังไม่พอพอร่างกายนี้ตายไปเดี๋ยวก็ไปหาร่างกายอันใหม่มามาทุกกับร่างกายอันใหม่มาทุกกับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็มาทุกกับการสูญเสียเวลาต้องคืนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้กับเจ้าของเขาไปนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันจะรู้ได้เวลาที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกัน พอเรารู้แล้วว่าเรากำลังหลงเรากำลังเดินทางผิดเราก็จะได้กลับหมุนกลับเดินไปสู่ทางที่ถูกทางที่ถูกก็คือเราต้องอย่าไปยึดอย่าไปติดให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของที่เรายืมมาสักวันหนึ่งเราจะต้องคืนเจ้าของเข้าไปถ้าเราอยากจะคืนโดยที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเราก็ต้องมีธรรมะภายในใจ สร้างความสงบสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจให้ได้ถ้าได้แล้วเราจะปล่อยเราจะคืนทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างสบายจึงขอให้พวกเราจงใช้ประโยชน์จากการที่เราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี้ด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นการทําทานการรักษาศีล การมาอยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมเพราะจะเป็นการที่จะทำให้เรามีกำลังที่จะคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้าของเขาไปเวลาที่เขามาทวงเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเลยการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศสดรัตนาไตรยและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจรนนิญด้วยอายุวันนัสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ